เทคนิคสําคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่นบทที่2เคล็ดลับยิ่งใหญ่ในการติดต่อกับผู้อื่นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นภายใต้ท้องฟ้าสูงเวงวางที่จะให้ใครต่อใครทำทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคยหยุดคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมถูกแล้วมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นและนั่นคือการทำให้บุคคลผู้นั้นต้องการที่จะทา โปรดจำไว้ไม่มีทางอื่นอีกแล้วถูกแล้วท่านสามารถจะทําให้ใครคนหนึ่งต้องการให้นาฬิกาข้อมือของเขาแก่ท่านด้วยการกดปืนเข้าที่สีข้างของเขาท่านสามารถจะให้เสมียนพนักงานของท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังสติปัญญาด้วยการขู่ว่าจะไล่ออกแต่เขาจะปฏิบัติเฉพาะต่อหน้าท่านเท่านั้นท่านสามารถจะบังคับให้เด็กๆทําทุกอย่างที่ท่านต้องการให้เขาทํา ด้วยการใช้ไม้เรียวหรือขู่บังคับแต่วิธีการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่หยาบช้าซึ่งจะนำผลสะท้อนอันไม่พึงปรารถนามาให้ทางเดียวเท่านั้นที่ข้าพเจ้าจะให้ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเต็มใจก็คือให้ท่านทำในสิ่งที่ท่านต้องการท่านรู้ไหมว่าท่านต้องการอะไรนายแพทย์ซิกมันฟรอยด์แห่งเวียนนานักจิตวิทยาลือนามที่สุดคนหนึ่งในศตรวรรษที่20กล่าวว่า การกระทําทุกอย่างของท่านและข้าพเจ้าเกิดมาจากความกระตุ้นเตือนสองประการความกระตุ้นเตือนแห่งการมารมและความปรารถนาที่จะเป็นคนใหญ่โตศาสตราจารย์ยอนดิวียนักปราชชาวอเมริกันผู้มีนามอุคตที่สุดในอเมริกากล่าวแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยดอเรดิวี กล่าวว่าสิ่งกระตุ้นเตือนอย่างรุนแรงที่สุดแห่งธรรมชาติมนุษย์ก็คือความปรารถนาที่จะเป็นคนสําคัญโปรดจําข้อความความปรารถนาที่จะเป็นคนสําคัญไว้ให้ดีมันเป็นสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งมากทีเดียวท่านจะพบเห็นข้อความอีกมากในหนังสือเล่มนี้ท่านรู้ไหมว่าท่านต้องการอะไรมีไม่กี่อย่างเลย แต่ในจำนวนไม่กี่อย่างที่ท่านต้องการนี้เองท่านกระหายอยากได้ด้วยใจจดจ่อแท้จริงซึ่งท่านจะปฏิเสธเสียมิได้ชายหญิงผู้อยู่ในอาการปกติเกือบทุกคนต้องการ 1. มีสุขภาพสมบูรณ์และมีชีวิตยืนนาน 2. อาหาร 3. นอนหลับ 4. เงินและสิ่งซึ่งเงินจะซื้อได้ 5. ความสุขในอนาคต 6. ความกเกษมสำราญในกามรม บุตรได้รับความสุขสวัสดีแความรู้สึกเป็นคนสำคัญความต้องการเกือบทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วมักจะประสบความสมประสงค์นอกจากอย่างเดียวความปรารถนาในสิ่งอันนี้เกือบจะอยู่ในลักษณะลึกกล้ำเกือบจะเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับความปรารถนาในอาหารหรือนอนหลับซึ่งเป็นสิ่งที่นานๆครั้งจึงจะไม่สมประสงค์เจ้าสิ่งที่กล่าวนี้คือสิ่งที่ฟลอยเรียก ความปรารถนาที่จะเป็นคนใหญ่โตหรือตามที่ดิวอี้เรียกความปรารถนาที่จะเป็นคนสำคัญนั่นเองครั้งหนึ่งลิงคอนเริ่มต้นจดหมายของเขามนุษย์ทุกคนชอบยกย่องสรรเสริญวินเลียมเยมกล่าวหลักสำคัญที่สุดแห่งธรรมชาติมนุษย์ก็คือความหิวกระหายที่จะได้รับการยกย่องเขาม่ได้ใช้คาประสงหรือปรารถนา หรืออยากที่จะได้รับการยกย่องแต่พูดว่าหิวกระหายที่จะได้รับการยกย่องนี่คือความหิวกระหายอย่างแท้จริงโดยปราศจากการหยุดยั้งของมวลมนุษย์และถ้าบุคคลใดซึ่งค่อนข้างจะหายากเพียงพอในความกระหายแห่งหัวใจของเขาที่จะเป็นคนสำคัญย่อมหมายความว่าบุคคล น, นั้นจะเป็นมนุษย์ที่น่ารักน่าเคารพไม่น้อยเลยและเมื่อเขาตายแม้แต่สัปเหรต ก, ก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจ ความปรารถนาเพื่อจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความแบ่งแยกและแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กชาวไร่ที่มิสซูรีพ่อของข้าพเจ้าเลี้ยงหมูพันดูร็อกเยอร์ซี่และวัวพัน์หน้าขาวเราเคยนำหมูและวัวหน้าขาวของเราไปประกวดในงานประกวดสัตว์ตามสถานที่ต่างๆทั่วภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐ เราชนะรางวัลที่หนึ่งนับเป็นจํานวนราวยี่สิบครั้งพ่อกลัดริบบิ้นสีน้ําเงินทั้งหมดลงบนผืนผ้ามัสลินขาวและเมื่อมิตรสหายหรือแขกมาหาที่บ้านท่านจะคลี่ผ้ามัสลินผืนนั้นออกตลอดเวลาที่พ่ออวดริบบิ้นสีน้ําเงินที่ท่านได้รับมาจากชนะการประกวดพ่อจะจับปลายผ้าข้างหนึ่งและข้าพเจ้าจะจับปลายอีกข้างหนึ่ง เจ้าหมูไม่ได้เอาใจใส่ต่อริบบิ้นที่มันชนะประกวดมาเลยแม้แต่น้อยส่วนพ่อสิท่านเอาใจใส่อย่างมากรางวัลเหล่านี้ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญถ้าบรรพบุรุษของเราม่ได้มีดวงจิตลุกคุอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นคนสําคัญอาระยธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นอันขาดถ้าปราศจากความรู้สึกอันนี้เสียแล้วมนุษย์เราจะอยู่ในสภาพเดียวกับสัตว์เดรัจฉานดีๆนี่เอง เพราะความปรารถนาที่จะมีความรู้สึกเป็นคนสําคัญจึงเป็นเหตุให้สมเียนร้านชำผู้หนึ่งซึ่งขาดการศึกษาและยากจนหันเข้าศึกษาหนังสือกฎหมายหนังสือกฎหมายซึ่งเขาพบอยู่ที่ก้นถังของใช้ชำรุดประจําบ้านและเขาซื้อมาด้วยราคา50บเซนตท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของสมเียนร้านชำพู้นี้มาบ้างเขาชื่อว่าเอเบรามลิงคอนไงละท่าน เพราะความปรารถนาที่จะมีความรู้สึกเป็นคนสำคัญจึงได้โดนบันดาลให้ชานคิดเกนเขียนนวัิยายอมตะขึ้นหลายเล่มความปรารถนาอันเดียวกันนี้ได้โดนบันดาลเซอร์คริสโตเฟอร์เรนให้เป็นสถาปนิกที่สามารถออกแบบการกอร่อสร้างอันวิจิตรเฉิดฉายและเพราะความปรารถนาอันนี้เองเป็นเหตุให้ร็อกกี้เฟลเลอร์สะสมเงินไว้หลายล้านโดยไม่ยอมจ่ายและเพราะความปรารถนาอย่างเดียวกันนั่นเอง ได้เป็นเหตุให้พวกเศรษฐีในเมืองของท่านสร้างบ้านใหญ่โตกว้างขวางเกินกว่าความจําเป็นความปรารถนาอันนี้ส่งเสริมให้ท่านต้องการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามสมัยนิยมล่าที่สุดต้องการขี่รถยนต์แบบใหม่ที่สุดและสนทนาโอ้อวดถึงความเฉลียวฉลาดของลูกๆความปรารถนาอันนี้เองที่ชักจูงเด็กหนุ่มเป็นจํานวนไม่น้อยให้กลายเป็นพวกเหล่าร้ายใช้ปืนเป็นอาวุธปล้นและสังหารชีวิตผู้อื่น ตามอัตราส่สวนเฉลี่ยของอัชฉรกรหนุ่มๆในปัจจุบันอีพีมันรูนีข้าหลวงแห่งกรมตำรวจรัฐนิวยอร์กคนก่อนกล่าวล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นคนมีจิตใจเห็นแก่ตัวเมื่อเขาถูกจับเขาจะขอร้องหนังสือพิมพ์ต่างๆให้ช่วยลงเรื่องของเขาอย่างอึกทึกครึกโครมว่าเขาเป็นวีรชน เขาเหล่านั้นจะไม่กังวลถึงการ น, นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแต่อย่างใดและดูเหมือนเขามีได้เอาใจใส่เสียเลยหากกลับอิ่มอกอิ่มใจเสียด้วยซ้ำที่รูปของเขาลงเด่นในหนังสือพิมพ์ในหน้าเดียวกับรูปเบบรูตลากาเดียไอสตายลินเบิร์กตอสกานินีหรือรสเวลถ้าท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านมีความรู้สึกเป็นคนสาคัญไปในทางไหนข้าพเจ้าจะบอกท่านได้ว่าท่านเป็นคนชนิดใด ความรู้สึกนี้กำหนดอุปนิสัยของท่านไว้อย่างแน่นอนเป็นความรู้สึกซึ่งมีความหมายยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับท่านเป็นต้นว่ายอนดีร็อกกี้เฟลเลอร์มีความรู้สึกเป็นคนสำคัญด้วยการบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลทันสมัยในกรุงปักกิ่งประเทศจีนเพื่อรักษาพยาบาลคนป่วยที่ยากจนนับจำนวนล้านซึ่งเขาไม่รู้จักและจะไม่มีวันรู้จักเลยดิวลิงเย์ มีความรู้สึกเป็นคนสำคัญไปในอีกทางหนึ่งโดยเป็นจอมโจรเป็นพวกปล้นธนาคารและเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตอนตำรวจกองปราบไล่จับเขาเขาวิ่งหนีเข้าไปในโรงนาแห่งหนึ่งในรัฐมินเนโซตาและร้องดังผมคือดิวลิงเจอร์เขาพอใจต่อฐานะแห่งการเป็นศัตรูประชาชนหมายเลขหนึ่งของเขาผมจะไม่ทำอันตรายท่านดอกเพราะผมคือดิวลิงเจอร์เขากล่าว ถูกแล้วความแตกต่างกันไกลลิบลับระหว่างดิวลิงเจอร์และร็อกกี้เฟลเลอร์อยู่ที่ความรู้สึกเป็นคนสำคัญของคนทั้งสองไม่เหมือนกันนั่นเองในประวัติศาสตร์ปรกากฏเด่นอยู่ด้วยตัวอย่างที่น่าสนุกเพลิดเพลินของบุคคลชื่อเสียงโด่งดังผู้พยายามจะมีความรู้สึกเป็นคนสำคัญแม้แต่ยอร์วอร์ชิงตันยังอยากจะให้มีผู้เรียกเขาท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาผู้เรืองอานาจคลัมบัส ทูลขอตำแหน่งจอมทัพเรือแห่งมหาสมุทรและอุปราชแห่งอินเดียพระนางคัทรินมหาราชินีปฏิเสธไม่ยอมเปิดซองจดหมายซึ่งมิได้จ่าหน้าซองกราบบังคมทูลพระมหาราชินีและนางลิงคอนเมื่อตอนอยู่ในธรรมเนียบไวท์เฮาส์เคยหันมาเล่นงานนางกรานอย่างฉุนเฉียวเกรี้ยกราดประดุดแม่เสือด้วยร้องตะโกนเธออวดดีอย่างไรจึงกล้ามานั่งต่อหน้าฉันทั้งทั้งที่ฉันมิได้เชื้อเชิญ มหาเศรษฐีอเมริกันหลายคนได้ช่วยเหลือนายพลเรือเอกเบิร์ดทางการเงินในการสำรวจขั้วโลกใต้โดยมีข้อตกลงว่าในพลเรือเอกเบิร์ดต้องเอาชื่อของเขาเหล่านั้นไปตั้งเป็นชื่อเทือกเขาน้ำแข็งที่คั้วโลกใต้และวิกเตอร์ฮิวโกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะให้ชื่อกรุงปารีสเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อของเขาแม้แต่เท็กเปียร์ผู้เรืองนามอย่างหาผู้เสมอเหมือนมิได้ ยังพยายามจะให้ชื่อของเขาเปล่งรัศมีรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นด้วยการขอพระราชทานตราเครื่องหมายประจำตระกูลของขุนนาง c o a a r m มเพื่อตระกูลของเขาในบางครั้งมนุษย์เรากลายเป็นคนป่วยทั้งๆมิได้ป่วยไข้เพื่อหวังจะได้รับความเห็นอกเห็นใจและความเอาใจใส่และเพื่อจะได้เกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญขอยกตัวอย่างนางแม็กกินลี หลอนเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญด้วยการบังคับให้ผัวของหลอนวินเลียมแมกกลีผู้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพิกเฉยต่องานสำคัญของประเทศคราวหนึ่งหนึ่งนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงขณะเขานอนอยู่บนเตียงเคียงข้างหลอนแขนของเขาโอบอยู่รอบกายของหลอนและเล้าลมให้หลอนนอนหลับใช่แต่เท่านั้นหลอนยังเคยสนองความปรารถนาที่จะอวดความสาคัญของหลอน ด้วยการบังคับให้เขาอยู่ข้างๆหลอนในขณะหลอนให้ทันตแพทย์ทําฟันและครั้งหนึ่งหลอนถึงกับโมโหโทโสเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเขาปล่อยหลอนให้อยู่กับทันตแพทย์ตามลําพังโดยเขามีนัดกับยอนเฮแมรี่รอเบิร์ตไรฮ า, าร์ดเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีหญิงผู้กําลังเปล่งปลั่งกระปี้กระเปล่าคนหนึ่งได้กลายเป็นคนป่วยล้มหมอนนอนเสือเพื่อปรารถนาที่จะให้ความรู้สึกเป็นคนสําคัญวันหนึ่ง นางไรฮาร์ดพูดหญิงคนนี้รู้ตัวว่าหลอนจะต้องเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างอันไม่พึงประสงค์สิ่งนั้นเห็นจะเป็นอายุอันเลยขีดสาวของหลอนและหลอนยังหาคู่แต่งงานไม่ได้หลอนรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตอันยาวซึ่งไร้จุดหมายหรือความหวังใดๆสำหรับหลอนหลอนจึงลงนอนบนเตียงและนอนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาสิปีในฐานะคนป่วยเรื้อรัง แม่ชาราของหล่อนต้องดูแลพยาบาลหล่อนและนำถาดใส่อาหารไปให้หล่อนที่ห้องซึ่งอยู่ชั้นสามของตึกครั้นต่อมาวันหนึ่งแม่ชาราของหล่อนผู้ได้รับความเหน็ดเหนื่อยอย่างที่สุดจากการพยาบาลลูกสาวลม้มลงนอนและสิ้นลมหายใจหญิงคนป่วยเศร้าซึมอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์ครั้นแล้วหล่อนลุกขึ้นได้สวมเครื่องแต่งกายแล้วดำรงชีวิตตามปกติในฐานะคนสบายดีอีกครั้งหนึ่งผู้เชี่ยวชาญบางท่านเปิดเผย ว, ว่า มนุษย์ถึงแก่วิกลจริตเนื่องมาจากความละเมอเพอ้อฝันที่จะมีความรู้สึกเป็นคนสำคัญแต่กลับประสบกับความล้มเหลวและความไม่สมหวังในโรงพยาบาลต่างๆของสหรัฐมีคนป่วยด้วยโรคจิตมากกว่าโรคอื่นๆทุกอย่างรวมกันเข้าถ้าท่านเป็นคนที่อายุมากกว่า15ปีและอยู่ในรัฐนิวยอร์ก ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนพลเมือง20ของรัฐนี้ที่จะต้องถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตเป็นเวลา7ปีของชีวิตท่านอะไรเป็นต้นเหตุแห่งการวิกลจจิตไม่มีใครสามารถจะตอบปัญหากว้างๆนี้ได้อย่างแน่นอนแต่เราต่างรู้กันว่ามีโรคอยู่บางชนิดเป็นต้นว่าซิฟิลิสทำลายเซลล์ของสมองให้ชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดวิกลจริตขึ้นตามความเป็นจริง โรควิกลจริตราวครั้งหนึ่งเกิดมาจากความผิดปกติทางร่างกายเป็นต้นว่าสมองชารุดพิษแอลกอฮอล์พิษแห่งโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุส่วนอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องหน้าขนลุกขนพองที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งของมนุษย์ที่วิกลจริตปรากฏว่ามิได้มีสาเหตุมาจากอวัยวะตอนเซลล์สมองผิดปกติ เพราะจากการตรวจเยื่อสมองของศพผู้วิกลจริตด้วยกล้องจุลทรรศชนิดขยายส่วนมากที่สุดปรากฏผลอย่างชัดแจ้งว่าเยื่อสมองของเขาปกติบริบูรณ์ดีเหมือนท่านและข้าพเจ้าทำไมมนุษย์เหล่านี้จึงวิกลจริตเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าถามหัวหน้าแพทย์ที่โรงพยาบาลโรคจิตใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง แพทย์ผู้นี้ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดและรับรางวัลในความปรีชาสามารถของเขาในด้านความรู้ทางโรควิกลตจิตบอกข้าพเจ้าด้วยความจริงใจว่าเขาไม่รู้เลยว่าเหตุใดมนุษย์จึงเป็นบ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้อย่างถ่องแท้แน่นอนแต่นายแพทย์ผู้นี้บอกข้าพเจ้าว่ามีคนบ้าอยู่ไม่น้อยได้พบความรู้สึกเป็นคนสำคัญจากการวิกลจริตของเขา ความรู้สึกซึ่งเขาไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้เลยในชีวิตปกติธรรมดาแล้วเขาเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังเวลานี้ผมมีคนป่วยหญิงอยู่คนหนึ่งซึ่งชีวิตแต่งงานของหล่อนประสบความล้มเหลวอย่างน่าอนาถหล่อนต้องการความรักความสุขสำราญในกามารมลูกและความมีหน้ามีตาในสังคมแต่แล้วผลที่หล่อนได้รับจากชีวิตแต่งงานของหล่อนก็คือความผิดหวังโดยสิ้นเชิง ผัวของหล่อนไม่ได้รักหล่อนเขาไม่ยอมกินอาหารร่วมกับหล่อนและบังคับให้หล่อนนำอาหารไปเสิร์ฟให้เขาในห้องของเขาชั้นบนหล่อนไม่มีลูกตามความคิดฝันและไม่ได้รับความมีหน้ามีตาอย่างใดเลยในที่สุดหล่อนเป็นบ้าตามมโนภาพของหล่อนหล่อนเข้าใจว่าหล่อนได้หย่ากับผัวและหล่อนกลับมาใช้นามสกุลเดิมของหล่อนอีกครั้งหนึ่งเวลานี้หล่อนเข้าใจไปว่าหล่อนแต่งงานกับขุนนางอังกฤษ และบอกให้ใครๆเรียกหลอนว่าเลดี้สมิธสำหรับเรื่องลูกหล่อนสร้างมโนภาพขึ้นมาว่าหล่อนคลอดลูกคนหนึ่งทุกๆุกคืนทุกครั้งเมื่อผมไปเยี่ยมหล่อนหล่อนจะบอกผมคุณหมอคะเมื่อคืนนี้ดิฉันคลอดลูกคนหนึ่งคะ่ะในชีวิตยามปกติธรรมดาของหล่อนซึ่งหล่อนเคยฝันและวาดภาพไว้อย่างสวยงามมาแล้วครั้งหนึ่ง เปรียบประดุดนาวาพุ่งเข้าชนหินโสโครกจนแตกทำลายอย่างย่อยยับแต่ในยามวิกลจริตมันคล้ายๆกับหลอนมีชีวิตอยู่บนเกาะเนรมิตอันสว่างเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์ทอดตามมองดูนาวาแห่งความฝันของหลอนวิ่งแข่งฝ่ากระแสะคลื่นมาสู่ท่าด้วยใบโป่งเต็มที่พร้อมกับเสียงร้องครวญครางของลมผ่านเสารกระโดงอยู่ตลอดเวลาหน้าเศร้าไหมโอ ข้าพเจ้าเองก็รู้ไม่ได้โปรดฟังคําพูดของนายแพทย์ที่กล่าวกับข้าพเจ้าต่อไปถ้าสมมุติว่าผมมีหนทางที่จะรักษาหล่อนให้หายตามเดิมผมจะไม่ยอมทําเป็นอันขาดเวลานี้หล่อนมีความสุขยิ่งกว่าเมื่อก่อนมากมายหลายเท่านักเมื่อรวมหมู่อยู่ด้วยกันมนุษย์วิกลจริตเหล่านี้มีความสุขมากกว่าท่านและข้าพเจ้าเสียอีกเขาเหล่านี้เป็นจํานวนมากได้พบความสําราญในการวิกลจริตสมควรแล้วที่เขาจะเป็นเช่นนั้น ใช่ไหมท่านเพราะจากการวิกจริตนั่นเองช่วยให้เคลือบเคล้มว่าความหวังนานาประการของเขาได้พบความสําเร็จแล้วคนเหล่านี้อาจจะเขียนเช็คจ่ายเงินให้ท่านหนึ่งล้านเหรียญหรือเขียนจดหมายแนะนําตัวให้ท่านรู้จักกับอากาคารคนเหล่านี้ได้พบภายในโลกแห่งความนึกฝันของเขาว่าเขาเป็นผู้มีความรู้สึกเป็นคนสําคัญความรู้สึกซึ่งเขาใฝ่ฝันทะเยอทะยานอยากได้มากที่สุด ในเมื่อมีมนุษย์กระหายที่จะมีความรู้สึกเป็นคนสำคัญจนกระทั่งถึงกับกลายเป็นบ้าเพื่อจะได้สิ่งนี้โปรดคิดดูเถิดว่าจะเป็นวิธีอันล้ำเลิศประเสริฐสักเพียงใดถ้าท่านและข้าพเจ้าจะให้ผู้อื่นเฉพาะแต่สิ่งที่เขาคลั่งไคล้อยากได้คำยกย่องสรรเสริญด้วยความจริงใจตามที่ข้าพเจ้ารู้มีคนอยู่สองคนเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเงินเดือนถึงปีละหนึ่งล้านเหรียญ คนทั้งสองนี้คือวอเตอร์ไคลเลอร์และชานชวอปทำไมมหาเศรษฐีแอนดรูคานิกี้จึงให้เงินเดือนชวอปปีละหนึ่งล้านเหรียญหรือมากกว่าวันละ3 0 0พันเหรียญทำไมแอนดรูคานิคี้ให้เงินเดือนชวอปปีละหนึ่งล้านเหรียญเพราะชวอปเป็นคนมีสมรรถภาพเป็นเลิศกระมังเปล่าเลยเพราะชวอปมีความรู้เรื่องการทำเหล็กกล้ายิ่งกว่าผู้อื่นกระมังผิดถนัด ชาญชวบบอกข้าพเจ้าด้วยตนเองว่าเขามีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นจํานวนมากซึ่งทํางานอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาต่างมีความรู้เรื่องการทําเหล็กกล้าดียิ่งกว่าเขาเสียอีกชวบบอกว่าเขาได้รับเงินเดือนจํานวนนี้ก็เพราะเหตุสําคัญมาจากสมรรถภาพในการปฏิบัติต่อผู้อื่นของเขาข้าพเจ้าถามเขาว่าเขากระทําอย่างไรต่อไปนี้เป็นคําพูดจากปากของเขาซึ่งเผยเคล็ดลับอันสําคัญนี้ คำพูดซึ่งควรจะหล่อเป็นตัวอักษรลงในแผ่นบอลเก็บไว้อย่างถาวรและแขวนตามบ้านทุกหลังโรงเรียนทุกแห่งรวมทั้งตามร้านโรงและสำนักงานทุกชนิดในประเทศคำพูดซึ่งเด็กนักเรียนควรท่องจําแทนจะเปลืองเวลาไปท่องจํากิริยาภาษาลาตินหรือท่องจําจํานวนฝนตกประจําปีในประเทศบราซิลคำพูดซึ่งสามารถจะเปลี่ยนรูปชีวิตของท่านและของข้าพเจ้า ถ้าเราจะปฏิบัติตามเป็นประจำผมถือว่าความสามารถของผมในการกระตุ้นเตือนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความกระตือรือร้อนชวบกล่าวเป็นสมบัติมีราคาใหญ่ยิ่งที่สุดกว่าสิ่งใดที่ผมเป็นเจ้าของวิธีที่จะส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นขยันหมั่นเพียรอย่างสูงสุดก็คือการยกย่องสรรเสริญและให้กําลังใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายความเทเยทะยานของผู้น้อยยิ่งไปกว่าการตำหนิติเตียนจากหัวหน้าผมไม่เคยตำหนิติเตียนใครผมเชื่อในหลักสนับสนุนกำลังใจในการปฏิบัติงานเหตุนี้เองผมจึงพร้อมเสมอที่จะชมเชยแต่ชังการที่จะคอยจับผิดถ้าผมพึงใจในการกระทำใดผมจะเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอย่างเต็มที่นั่นคือการปฏิบัติของชวบ แต่คนทั่วไปปฏิบัติอย่างไรบ้างเขาจะปฏิบัติอย่างตรงกันข้ามทีเดียวคนส่วนมากเมื่อเกิดความไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าจะส่งเสียงเอตตโรขมไปหมดถ้าเขาพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจะนิ่งเงียบไม่ปริปากชมแม้แต่คำเดียวในชีวิตการสมาคมอย่างกว้างขวางของผมผมได้พบคนใหญ่โตตามส่วนต่างๆของโลกมาเป็นจานวนมากชวบกล่าวเปิดเผยต่อไป ผมยังไม่เคยพบมนุษย์คนไหนแม้ฐานะใหญ่หรือสูงสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่จะสามารถทำงานด้วยกำลังใจเข้มแข็งและภาคเพียรเมื่อถูกตำหนิตีเตียนเสมอเท่าเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยคำพูดของชวอบพอจะยึดถือได้ว่าจากการปฏิบัติในแบบเดียวกันนี้เองคือเหตุสำคัญประการหนึ่งในหลายประการที่ได้บรนดานให้แอนดูคาเนกประสบความสำเร็จใหญ่หลวงอย่างน่าอัศจรรย์ แอนดรูคานิกี้ชมเชยผู้ร่วมงานของเขาทั้งต่อหน้าทานกำนันและส่วนตัวมหาเศรษฐีคานิกี้ถึงกับชมเชยผู้ร่วมงานของเขาแม้แต่ที่บนหินหลุมศพของเขาเขาเขียนข้อความสำหรับจารึกหินหลุมศพตัวเขาด้วยตนเองซึ่งมีดังนี้ร่างที่นอนอยู่ในนี้คือผู้รู้จักหาคนอื่นที่ฉลาดกว่าตัวเขามาช่วยเหลือเขา การยกย่องชมเชยอย่างจริงใจเป็นเคล็ดลับประการหนึ่งในบรรดาคเคล็ดลับทั้งหลายที่นำ็อกี้เฟลเลอร์ไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นต้นว่าเมื่อหุ้นส่วนของเขาคนหนึ่งเอ็ดเวิร์ดทีเบ็กเฟิร์ซื้อสินค้าในอเมริกาได้จำนวนหนึ่งซึ่งทำให้บริษัทขาดทุนไปหนึ่งล้านเหรียญย้อนดีน่าจะตำหนิตีเตียนต่อความเสียหายนั้นแต่เขารู้ว่าเบ็เฟิร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสติกาลังที่สุดแล้ว ทั้งเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ร็อกกี้เฟลเลอร์จะพึงกระทำก็คือการชมเชยเขาแสดงความยินดีแก่เบดเฟิร์ที่เบดเฟิร์สามารถเหลือทุนที่ลงไปในการค้านี้ไว้ถึง 60% เยี่ยมมากร็อกกี้เฟลเลอร์พูดเราไม่ค่อยจะทำงานได้เหมาะสมเหมือนงานรายนี้ฟอ r ์เรนซิกเฟลผู้จัดสร้างระบําอันลือชื่อที่สุด ที่ทำให้บอดเวมีนามกระชอนได้ประสบชื่อเสียงอันอกึกก้องจากความทะเยอทะยานอย่างรุ่มร้อนของเขาที่จะทำให้หญิงอเมริกันรุ่งโรดในทางระบำครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเลือกหญิงไม่สู้จะสวยและไม่มีใครเหลียวแลเป็นจำนวนมากต่อมากมหัสระบำซึ่งในที่สุดหญิงเหล่านั้นได้กลายเป็นนางระบำเจ้าสเสน่ห์ยวนตายวนใจ เขารู้ดีถึงคุณค่าของการยกย่องสรรเสริญซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองดังนั้นเขาจึงทำให้หญิงระบำเหล่านั้นรู้สึกว่าตัวหล่อนเป็นคนสวยด้วยการหยอกเย้าและเอาอกเอาใจเขาเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักอันดีงามเขาขึ้นเงินเดือนให้หญิงระบำจากสัปดาห์ละสามสิเหรียญจนสูงถึงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญและเขาเป็นคนที่มีใจกว้างในการสนับสนุนกำลังใจผู้ร่วมงาน เวลาเปิดแสดงคืนแรกที่โรงฟอรีเขาส่งโทรเลขถึงดาราระบำทุกคนและส่งพวงมาลัยกุหลาบให้หญิงระบำโดยทั่วหน้าเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมีความคิดวิตรารณ์ด้วยการอดอาหารเป็นเวลาหกวันหกคืนโดยไม่ได้กินอะไรเลยมันเป็นของลำบากยากเย็นที่จะทำเช่นนี้เมื่อตอนสิ้นสุดของวันที่หกปรากฏความจริงว่า ข้าพเจ้ารู้สึกหิวน้อยกว่าเมื่อสิ้นสุดของวันที่สองเสียอีกท่านและข้าพเจ้ารู้ดีว่ามนุษย์คนใดก็ตามถ้าปล่อยให้ครอบครัวของเขาหรือเสมียนพนัก ง, งานของเขาดำรงชีวิตอยู่หกวันโดยปราศจากอาหารแต่อย่างใดจะเป็นความผิดอย่างมหาหันทีเดียวหากหาได้ถือกันว่าเป็นความผิดที่รุนแรงไม่ถ้ามนุษย์ผู้นั้น ปล่อยให้ครอบครัวของเขาหรือเสมียนพนัก ง, งานของเขาไม่ได้รับคายกย่องสรรเสริญด้วยจริงใจถึง6วัน6สัปดาห์และอาจจะถึง60ปีคำยกย่องสร ร, รเสริญซึ่งเป็นสิ่งหิวกระหายของปวงชนเท่ากับอาหารเหมือนกันเมื่ออันเฟต์ลันแสดงเป็นตัวเอกในเรื่องร่วมชุมนุมในเวียนนาเขากล่าว ข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดมาเป็นอาหารใจยิ่งไปกว่าคำยกย่องชมเชยความสามารถของข้าพเจ้าเราให้อาหารบำรุงร่างกายแก่ลูกของเรามิตรสหายของเราและเสมียนพนัก ง, งานของเราแต่เรามักจะไม่ค่อยให้อาหารใจด้วยการยกย่องชมเชยความสามารถของเขาเราให้เนื้อทอดและมันฝรั่งแก่เขาเพื่อสร้างกำลังกายให้แข็งแรงแต่เราเฉยเมยที่จะให้คำพูดแห่งความปราณีแก่เขาเป็นการยกย่อง คำพูดซึ่งจะฝังอยู่อย่างทราบซึ้งอ่อนหวานในความจำของเขาเป็นเวลานานปีประดุดเสียงดนตรีสวรรค์นักอ่านบางท่านในขณะอ่านประโยคต่างๆเหล่านี้กำลังจะพูดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเก่าไร้าสาระไม่มีประโยชน์ที่แท้ก็คือเป็นการเยินยอประจบประแจงดีๆนี้เองฉันลองใช้มาแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรเอามาใช้กับคนมีภูมิปัญญาเป็นไม่ได้ผลเด็ด ถูกแล้วการเยินยอมักจะไม่เกิดผลเมื่อใช้กับคนมีสติปัญญาเพราะการเยินยอเป็นการกระทําของคนอ่อนความคิดเห็นแก่ตัวและไม่สุดจริตใจเหตุนี้เองจึงสมควรแล้วที่การเยินยอจะปราศจากผลและมักจะปราศจากผลเสมอที่จริงมีมนุษย์บางคนหิวกระหายอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องจากผู้อื่นดังนั้นเมื่อผู้อื่นส่งคํายกย่องให้แม้จะเป็นการเยินยอ เขาจะตะกระตะกรามกลืนมันเข้าไปทำนองเดียวกับคนอดอาหารไม่รังเกียจที่จะกินหญ้าและไส้เดือนเป็นต้นว่าทำไมชายสองพี่น้องมาดีวานีจึงได้รับความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ในตลาดสมรสด้วยการมีคู่แต่งงานดีๆตั้งหลายครั้งทำไมชายทั้งสองผู้ได้รับสมญาว่าพ่อเทพประวุตจึงสามารถจะแต่งงานกับดาราภาพยนตร์สวยและลือนามถึงสองคน นางเอกออเปร่าผู้มีนามระบือโลกคนหนึ่งและเศรษฐีบาบาาราฮัตันผู้มีห้างขายของอะไรๆก็ห้าเซนสิบเซนทำไมเขาทำอย่างไรสเสน่ห์ของมาดิวานีซึ่งมีต่อผู้หญิงอาเดล่ารอยเยอร์เซนยอนเขียนบทความลงในนิตยสารลิเบอร์ตี้เป็นความลับประจำยุคสำหรับคนอีกมากโอลานิกี หญิงผู้ผ่านโลกมามากเป็นผู้มีความเจนจัดรอบรู้ในเรื่องผู้ชายอย่างทะลุปรุโปรง่งเป็นศิลปินยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งเคยอธิบายให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยการพูดดังนี้ชายสองคนนี้รู้จักศิลปะการเยินยอเหนือกว่าชายอื่นๆที่ดิฉันเคยพบเคยเห็นมาแล้วศิลปะการเยินยอในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นยุคนิยมลทัทธิความจริงที่พิสูจน์ได้และความสนุกสนานเป็นสิ่งหาได้ยากนัก ดิฉันขอรับรองว่าเคล็ดลับที่เป็นสเสน่ห์แก่หญิงทั้งหลายของมาดิวานีก็คือการเยินยอ น, นั่นเองดิฉันรู้ดีแม้แต่พระนางวิกตอรียยังพอใจการเยินยอและประจบประแจงดิดเลลี่สารภาพว่าในการติดต่อกับพระราชินีเขาต้องใช้คำเยินยอเสียอย่างฟุ่มเฟือยหรือตามคำพูดของเขาซึ่งเราเรียกว่าต้องใช้ฉาบด้วยน้ำตาล แต่ดิดเรลีผู้นี้เป็นรัฐบุรุษเก่งกล้าเชี่ยวชาญที่สุดผู้หนึ่งที่เคยปกครองจักรวรรดิอังกฤษอันกว้างใหญ่ไพศาลมาแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาด้วยปรีชาสามารถยากจะหาผู้เสมอเหมือนการกระทำของเขาจนได้รับความสำเร็จนานาประการไม่จำเป็นที่ท่านและข้าพเจ้าจะยึดถือเป็นแบบฉบับว่าจะได้รับความสาเร็จอย่างเดียวกันคำเย็นยอนี้ถ้าท่านใช้อยู่ประจาเป็นเวลานาน จะนำโทษมาให้ท่านมากกว่าคุณคำเยินย่อเปรียบเหมือนของปลอมและทำนองเดียวกับเงินปลอมถ้าท่านพยายามใช้อยู่ร่ำไปในวันหนึ่งท่านจะต้องพบกับความเดือดร้อนท่านสงสัยว่าการยกย่องกับการเยินยอแตกต่างกันอย่างไรกระมังง่ายมากที่จะอธิบายกล่าวคือการยกย่องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและการเยินยอทำด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจ อย่างหนึ่งออกมาจากหัวใจอีกอย่างหนึ่งออกมาจากไรฟันอย่างหนึ่งปราศจากการเห็นแก่ตัวอีกอย่างหนึ่งเต็มด้วยการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งให้ประโยชน์อย่างอเนกอนันต์อีกอย่างหนึ่งให้โทษอย่างมหันเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ไปดูรูปปั้นครึ่งท่อ from from นของนายพลโอเบริร์กกองที่วางชาปุนติเปกในกรุงเม็กซิโกข้างล่างรูปปัน้นจารึกตัวอักษร ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของนายพลโอเบิร์กองดังนี้อย่ากลัวศัตรูผู้โจมตีท่านแต่จงกลัวมิตรสหายผู้เยินยอท่านเปล่าๆป่าเล่ า, ลาข้าพเจ้ามีได้มีเจ็ดจำนงเสนอแนะให้ท่านเป็นคนประจบสอพลอแทนจะเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้ากำลังจะพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตในวิถีทางชนิดใหม่ข้าพเจ้าขอย้ำว่าข้าพเจ้ากำลังจะพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตในวิถีทางชนิดใหม่ พระเจ้ายอดที่ห้าแห่งอังกฤษมีคติพจน์อยู่หประโยคที่ผนังกำแพงห้องสมุดของพระองค์ที่พระราชวังบักกิงแฮมคติพจน์ประโยคหนึ่งมีดังนี้อย่าสอนให้ฉันให้ใครหรือรับจากใครซึ่งคำยกย่องราคาต่ำคำยกย่องราคาต่ำก็คือคำเยินยอ น, นั่นเองข้าพเจ้าเคยอ่านคำบรรยายความหมายของการเยินยอจึงขอนำมากล่าวซ้ำไว้ในที่นี้คือ การเยินยอแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าเป็นการบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าผู้พูดเห็นแก่ตัวอย่างไรบ้างท่านจะใช้ภาษาอะไรก็แล้วแต่ราฟวอนโดเอเมอร์ซันกล่าวท่านไม่สามารถกล่าวคำพูดให้ผิดไปจากสภาพความเป็นอยู่อันแท้จริงของท่านถ้าเราต่างมุ่งหน้าแต่จะใช้คำพูดเยินยอกันอย่างฟุ่มเฟือย วิธีการอันนี้อาจจะแพร่หลายเป็นที่นิยมกันทั่วไปและผลก็คือเราทุกคนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประจบประแจงผู้อื่นตามปกติของมนุษย์เราถ้าหากไม่มีปัญหาใดๆที่จะขบคิดเรามักจะใช้เวลาของเราราว9ก้อเซคิดถึงตนเองถ้าหากว่าเรามาพากันเลิกคิดถึงตัวเราเองสักขณะหนึ่งแล้วลองมาคิดถึงความดีในประการต่างๆของผู้อื่น เราจะอยู่ในฐานะไม่จำเป็นจะต้องใช้คำเยินยอซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีราคาต่ำและเป็นของเก๋คาเยินยอซึ่งเป็นสิ่งโสมมก่อนที่มันจะหลุดออกมาจากปากเสียด้วยซ้ำเอเมอร์ซันกล่าวคนทุกคนที่ข้าพเจ้าพบปะสนทนาด้วยย่อมมีสิ่งที่เหนือกว่าข้าพเจ้าในบางประการด้วยกันทั้งนั้นข้าพเจ้าศึกษาสิ่งที่อยู่เหนือนั้นจากเขา ถ้าเป็นความจริงที่ผู้อื่นมีสิ่งที่เหนือกว่าเอมเมอร์สันจะเป็นความจริงเช่นเดียวกันที่ผู้อื่นน่าจะมีสิ่งที่เหนือกว่าท่านและข้าพเจ้าตั้งหนึ่งพันเท่าใช่ไหมท่านเรามาเลิกคิดถึงความวิเศษวิโสของเราความต้องการโน่นนี่ของเราเราจงมาคิดถึงความดีประการต่างๆของผู้อื่นบ้างแต่อย่าได้ใช้คำเย็นยอในการชมเชยเป็นอันขาดหากจงใช้คายกย่องสรรเสริญด้วยความจริงใจและสุจริต ท่านจงเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชอยอย่างเต็มที่ซึ่งคำพูดของท่านจะฝังอยู่ในความจำและเป็นสมบัติอันล้ำค่าแก่อีกฝ่ายหนึ่งนานเท่านานตลอดชีวิตจะดำรงอยู่ให้เขาระลึกถึงมันเสมอเป็นเวลาหลายๆปีแม้ว่าท่านเองจะลืมเสียสิ้นแล้ว